สิกขาบทที่สองว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะเรื่องภิกษุณีฉัพพันห1ึ่สีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉับขีโดยสารยานไปคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนธนาว่าะในพวกภิกษุณีฉับขี จึงโดยสารยาณไปเหมือนยิงคฤหัสผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนํมหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนํมหนิประนามโพนธนาว่าฉฉนพวกภิกษุณีชาวพะัคีจึงโดยสารยานไปเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นาเรื่องนี้